นาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมบุติสสะนาโมตัสสะหังกวาโตระหะโตสมมาสมบุติสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมบุตัสสะขอนอบนนอมแด่องสมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งาาท่าเข้าที่เข้าที่นั่งปฏิบัติธรรม ท่าทางทางเข้าที่เข oh, ้าทางนั <c oughs> ่งให้สบายทำกายวิเวกให้กายสงบกายสงบอธิษฐานใจไว้อยู่ในความสงบกายสงบวาจา ก็สงบไม่พูดหลับตางับปากแล้วก็ดูใจให้ใจสงบจากอารมณ์ต่างๆให้รวมอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่รู้ความรู้น่แหละคือใจธรรมชาติของใจเนี่ยรู้ เพราะฉันให้รู้รู้อยู่กับรู้ไม่ให้รู้ไปรู้ข้างนอกไปรู้อดีตอนาคตที่นุ่นที่นี่แล้วลึกรู้เข้ามารู้ที่ตัวเองตรงลมหายใจเข้าหายใจออกหรือตรงกลางหน้าอกหรือรู้อยู่ในการในกายส่วนใดส่วนหนึ่ง บนศีรษะรูอยู่ที่ผมรูอยู่ที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังแต่จะปัญจกรรมฐานกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานะคือที่ตั้งตั้งสติรูที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังท่านเรียกว่ามูลเดิมมูลเก่า กรรมาฐานเก่าที่พระพุทธเจ้าสอนได้เจ้าสอนให้ดูให้รู้พุทธองค์ทรงประทานโอวาทแก่พระแก่ปิภริปิภริมโนบผู้โกนผมนุ่งหม่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดด้วยตนเอง ออกจากบ้านจากเรียนมุ่งหน้าสู่สำนักของพระพุทธองค์พุทธองค์เสด็จมาคอยรับอยู่ระหว่างทางเมื่อเจอกันแล้วก็ตรัสประธานโอวาทสามภิภริเธอจงกำหนดรู้ ไปในกายเนื่องเนื่องเนีว่าให้มีสติมีความตั้งใจรู้กายของตนเองเีว่าโอปนญิโกโอปนญิกรรมน้อมธรรมคือสติมาละลึกรู้ที่ผมขนเล็บฟันหนังหรือรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก ลมก็เป็นกายเป็นกายละเอียดเป็นธาตุลมที่ประชุมกลมกืนกันอยู่กับธาตุทั้งสี่หรือธาตุหกดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุคือใจธาตุลมก็เป็นเป็นกายเป็นรูรูที่ลม หรือรู้ที่ผมขนไล้ฝันหนังเธอจงกำหนดรู้ในกายเนืองๆดูกนจิพริเธอจงเป็นผู้ทำความเก่งใจไม่มีความแข็งกระด้างไม่มีทิฏฐิมณะเข้าไปทำความตั้งความเก่ง อ, อกเก่งใจในภิกษุ ทั้งนมทั้งแก่ปานกลางทั้งพิกษุใหม่ดูก่อนปิภรเธอจงเงื่อหูลงฟังเรียก ว, ว่ายอมศึกษายอมฟังให้ควรเหตุผลนี่พระเจ้าให้โอวัตสามถือว่าเป็นการให้ปิภร อุปสมบทหรือว่าบวชในพระพุทธศาสนาด้วยการให้โอวาทสามประการเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งไม่ยากไม่มีพิธีลีตองในการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมะธรรมะศาสนาธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนใจอสอนผู้ที่มีใจอผู้ที่มีใจรับรู้ผู้ไม่มีใจรับรู้พระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะฉะนั้นผู้ใดมีความรับรู้ทางใจอก็ถือว่าได้รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าได้รับการสอนธรรมะจากพระพุทธเจ้าอืม ศาสนาธรรมคือคำสอนสัจธรรมคือความจริงสอนให้รู้กายกายก็มีจริงสติละลึกรู้ก็มีจริงความรู้คือใจก็มีจริงนี่เรามีสมบัติเรามีสมบัติธรรมมีธรรมะกันอยู่ทุกผู้ทุกคนทุกกายทุกใจ ทุกข์จิตทุกข์ใจมีธรรมะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มาปฏิบัติขัดสีกำหนดลูกเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่เรียก ว, ว่าลูกกายเมื่อลูกกายอย่างเดียวแน่แน่เป็นการแพ่ง คำว่าชานะคือการแพ่งแห่งกายแห่งกายอันเดียวเรียกว่าเอากายเป็นอารมณ์เอากายเป็นอารมณ์เอากายเป็นการงานให้ความระลึกลู่ต่อเนื่องกันระลึกลู่ไม่ขาดวักขาดตอนไม่ให้เผลอไประลึกลู่เรื่องอื่น ให้ระลึกรู้ผมคนเล็บฟันหนังผมคนเล็บฟันหนังหรือรู้ลมเข้าลมออกให้รู้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรคำว่าเพียรเพียรรู้เพียรระลึกรู้สิ่งเดียวความเพียรต่อเนื่องเป็นกําลังก็จะตั้งมั่นความรู้ตั้งมั่น ตั้งมั่นในความรู้วันเดียวเป็นสมาธิสมาธิจิตสมาธิใจสมาธิจิตนึกรู้สิ่งเดียวสมาธิใจความรู้รู้อยู่อารมณ์อันเดียวแน่วแน่ ใจเบาใจเบากายเบาใจเบากายเบาเรียกว่าเป็นกายระหุตากายก็เบากายก็อ่อนจิตระหุตาจิตคือความนึกคิดก็อ่อนใจคือความรู้ก็ไม่มี อารมณ์อย่างอื่นเข้ามาเกะกะละลานให้ใจนีุ่บๆโพๆรู้อยู่ตัวเฉพาะเป็นจิตระหุตากายระหุตาเมื่อกายเบาจิตเบาก็ควรแก่การงานในการน้อมไปรู้เรือธรรมะพิจยะ น้อมรู้รูพิจารณากายก็ไม่เที่ยงกายคือรูปรูปประขันกายก็ไม่เที่ยงเวทนาความเสวยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยเฉยบ้างก็ไม่เที่ยง สัญญาความจำได้หมายรู้อดีตอนาคตไม่เที่ยงแปรปวนสังขารความคิดปรุงดีชั่วเป็นบุญเป็นบาปคิดเรื่องเป็นความดีเป็นบุญเรียกว่ารรกุศลกิจคิดเรื่องความไม่ดีเป็นบาปเร่าร้อน ก็เป็นอกุศลกิจเนี่ยเกิดอยู่ที่เดียวเกิดอยู่ที่เดียวเกิดอยู่ที่ใจมีใจเป็นผู้รู้รรวันเดียวกุศลหรืออกุศลนี่พิจารณาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความนึกคิดนี่ไม่เที่ยงสังขาร สังขา ร, ราจิตสังขารไม่เที่ยงวิญญาณความรับรู้วิญญาณในขันห้าวิญญาณในอายตนะเป็นวิญญาณในขันห้ารับรู้ตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปก็ไม่เที่ยงบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นหูฟังเสียง บางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดไม่เที่ยงอินยานความรับรู้ทางหูจมูกบางทีก็สัมผัสกินบางทีก็ไม่สัมผัสอริ่นเราเหมือนกันบางทีก็รู้รสชาติรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานบางทีก็ไม่รู้กายบางทีก็ทื่อไปเลยไม่รู้ความเย็นความร้อน บางทีก็สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งใจวิญญาณใจสัมผัสรับรู้อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ อ, อดีตที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี่อารมณ์ที่ปรุงแต่งไปข้างหน้าบางทีก็สัมผัสรับรู้บางทีก็ไม่รับรู้นี่เดียวา วิญญาณในขันห้าไม่เที่ยงว่ไม่เทียเท่ยงมันก็เป็นทุกข์คือมันทนอยู่ได้ยากเมื่อเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจรารณาให้ทบทวนให้ทบทวนอันนี้เป็นวิปัสสนาเป็นการเจริญวิปัสสนาเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี่เป็นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติธรรมให้ดูธรรมให้รู้ธรรมให้ไข้ควรในธรรมผู้ไข้ควรในธรรมย่อมเป็นผู้จเจริญธรรมะกามโมภวังโหติ ผู้ไข่ควรในธรรมเป็นผู้เจริญก็ไข่ควรในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไข่ ค, ควรในรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะไข้ ค, ควรในกายในใจนี่แหละกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอใจป ร, ระกอบด้วยน้ำ ความเสวยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ใจเป็นใจใจไม่ได้เป็นอะไรใจเป็นธรรมชาติรู้ใจไม่สุขใจไม่ทุกข์ใจไม่โรคใจไม่โกรธใจไม่หลงใจเป็นธรรมชาติรู้รูกอยู่กลางๆงอย่างเดียวแต่สิ่งอื่นมาสัมผัสกับรู้ มาสัมผัสกับใจเองความโกรธอาการแหง่งความโกรธแห่งโทสะความไม่สบายใจความเกลีอด้อนใจก็เป็นอาการนนหนึ่งอาการที่สุขใจสบายใจเ อ, อิบอิ่มใจเป็นอาการนนหนึ่งอาการที่สลึมสรือไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไร เป็นโมหะก็เป็นอาการอันหนึ่งมันไม่ใช่ใจแต่มันใจเป็นผู้รู้อาการเหล่านั้นนี่การเจริญสติให้รู้ตัวหรือว่าตั้งใจตั้งใจใจตั้งตั้งใจใจตั้งตั้งรู้ตั้งระลึกรู้ ใจรู้กายกายเป็นเป้าหมายแห่งความรู้คือใจรู้คน้คนค้นคว้าินิพิจารณาสรุปลงสู่ความไม่เที่ยงความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงแปรปวนเปลี่ยนแปลง ทนอยู่คงเส้นคงวาเป็นปกติไม่ได้นั่นถึงว่าทุกขษัตย์คือความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้ทุกขเวทนานเป็นสุเป็นทุ ก, ทกขขสัตย์ความจริงแห่งทุกขคือทนอยู่ตั้งอยู่เส้นความสุขเกิดขึ้นจะให้มันตั้งอยู่เป็นความสุขอย่างนั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน เป็นความทุกข์เป็นทุกขเวทนาอย่างนี้หรือกายนี้เกิดมาครั้งแรกเป็นเด็กเป็นเล็กจะให้มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้นั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจเจริญขึ้นความจเจริญขึน้นคือความเสื่อมเสื่อมไปเสื่อมไปจเจริญเจริญขึ้น เดี๋ยวก็แก่ชราหมดเลี้ยวหมดแรงอันนี้คืออ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตร่วมอยู่ในอันเดียวกันทันจริงว่าตายรักลักษณะแห่งความเป็นจริงมาแพ่งอินิต์ปิยนามาทบทวนในเรื่องปัญญาปัญญาต้องคิดเรื่องปัญญาจเจริญปัญญาต้องคิดต้อง ลบต้องคูณต้องหารลูกเศษลูกผลลับ <c oughs> เหมือนเราบวกลบคูณหารเลขนี่มาบวกลบคูณหารลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ที่เป็นลูกแล้วก็มีใจเป็นผู้ลู่ ล, ลูจนให้เห็น เกิดความรู้และความเห็นตามเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจริงจริงทนอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงสมมุติเมื่อรู้สรุปลงสู่ความเป็นสมมุติหรือความเป็นธาต ลงสู่ความเป็นสมมุติก็ลงสู่ความเป็นอนัตตานั่นเองสเพธธรรมานตติทำทั้งหลายไม่ควรไปสาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเป็นเพียงสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นนี่เรียกว่าความสมมุติพิกสมมุติลงไปด้วยปัญญาเกิดเป็นความรู้ สมมุติตามเป็นจริง <c oughs> สิ่งที่ถูกสมมตุติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เกิดแก่เก็บตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือสิ่งที่ถูกสมมุติผู้เป็นรูปสมมุติก็คือใจ ผู้รูดสมมุติคือใจสิ่งที่ถูกสมมุติทั้งหลายนั้นจริงจริงตามสมมุติแต่ไม่จริงตามธรรมชาติของตนคือเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนี่เมื่อผู้รู้สมมุติเห็นสมมุติตามเป็นจริงก็เห็นเห็นผู้สมมุติคือเห็นตัวเอง เป็นจริงอยู่ตามธรรมชาติคือรูกความรู้นี่ไม่ดับหรือว่าใจนี่ไม่ดับใจนี่ไม่ตายความรู้นี่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติรูกจึงว่าเป็นอมตะเป็นความไม่ตายความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยปัญญา จเจริญปัญญาจเจริญสติสมาธิปัญญากลับไปกลับมากลับไปกลับมาในเรียกว่าภาวนาภาวนาหรือปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติสติสมาธิปัญญา เนื่อทำให้มากเจริญให้มากสมาธิสติสติมีกำลังต่อเนื่องเป็นสติมัคคือความระลึกชอบต่อเนื่องเป็นสมาธิใจใจเป็นใจใจเป็นอิสระจาก ความมืดที่เรียกว่าอาสวะอาสวะคือความมืดมัวสิ่งที่ปกคลุมหรือทุลีฝุ่นละอองเป็นอาสวะเป็นอาสวะของใจปกคลุมใจมักเป็นเครื่อง ขวดเป็นเครื่องชะล้างอาสวะคือสติสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญากลมกลืนกันรวมเป็นมัคคะสมังชีเป็นเอกมรกรวมเป็นญาณทัศนะ คือความรู้และความเห็นตามความเป็นจริงตัดสินหรือว่าชําระอาสวะสิ้นสุดเหลือแต่ใจที่เป็นอิสระคือธรรมชาติรู้เหนือความไม่รู้นี่จะทำ ความหลงสิ้นสุดไปทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ความรู้ตามความเป็นจริงเรือพุโทโธพุโทโธรู้ความจริงรู้ตื่นเบิกบานนี่มีเทา่านี้ธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ใจรู้ที่ใจหลงก็หลงที่ใจ กิเลสอาสวะเกิดขึ้นที่ใจธรรมะเป็นเครื่องชำระกิเลสอาสวะก็ชำระที่ใจพอใจเป็นมหาเหตุใจเป็นฐานใจเป็นศูนย์รวมถ้าไปดูที่อื่นไปปฏิบัติที่อื่น เป็นการปฏิบัติผิดตั้งสติผิดตั้งสติไปดูที่อื่นไประลึกรู้ที่อื่นระลึกระลึกรู้เข้ามาที่กายที่ใจนี่เป็นการตั้งสติถูกเพราะนั้นเวลาตั้งสติเวลากำหนดทำสติให้รูู้ไม่ต้องกดไม่ต้องเกร็ง เ, เพียงแต่ทําความรู้ความระลึกรู้ครบคู่กับความรู้เป็นปัจจุบันปัจจุบันปฏิบัติต่อชีวิตความเป็นอยู่กับการทําการทํางานทําการงานด้วยกายก็มีสติใช้สติใช้ปัญญาเอาไปรู้นี่เรียกว่าภาวนากับการทํางาน ทางกายภาวนากับการทำงานทางความคิดความนึกคิดทางใจต้องนึกต้องคิดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่นึกคิดขันห่าก็ต้องใช้ธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาเข้าไป ดูไปลูกความนึกความคิดความนึกความคิดเป็นไปเพื่อเหตุผลอย่างไรนึกคิดเป็นกุศลหรืออกุศลถ้านึกคิดเป็นอกุศลบทวนกระแสให้มานึกคิดในความเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความฉลาดนึกคิดแล้วให้เกิดความสุข กายสุขใจทั้งตนเองและบุคคลอื่นนี่ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอภ a มาเดธสัมปเดทาติทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด น, นี่เป็นโอวาทเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทาน ทั้งสุดท้ายถามว่าความไม่ประมาทก็เป็นผู้อยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะรูปกายรูปจิตของตนเองนั่นเองถ้าหาว่าเผลอก็เ ร, เรียกว่าประมาทไม่มีธรรมคือสติและลึกรู้กํากับกายจิตของตนเองอันเรียกว่าประมาทแล้ว ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท ป, ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในเบื้องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งการช่วยเหลือการแนะนำพรฒนสอนตามวิถีทางแห่ง ธรรมะที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สวาขาตรธรรมพระธรรมที่ตัดไว้ดีแล้วชอบแล้วตราดเรื่องทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมะที่ตัดไว้ชอบให้ละบาปเว้นจากการทำบาปทางกายทางวาจา และนึกคิดทางจิตใจกายกรรมสามวกิกีกรรมสีมโนกรรมสามรวมเป็นกรรมบทบสิบฝ่ายที่เป็นความดีเป็นความให้มีความสุขความเจริญเบิกบานกายใจเขาเรียกว่าเป็นกุศ ล, ลกรรม เป็นสุจริตเป็นธรรมสุจริตฝ่ายที่เบียดเบียนที่กระทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายก็เป็นอกุศน ล, ลกรรมอเป็นความทุจริตนี่หายแว่นจากบาปจากอากุศลตั้งอยู่ในความสุจริตตั้งอยู่ในบุญ คือความดีให้เกิดสุขเรียกว่ากุศลกรรมบสิทธิ์หรือกุศลสุจริตสิบประการนพพทธเจ้าสอนแ ล, ลแล้วก็ให้ทำความดีละบาปแล้วให้ทำความดีทำความสุจริต แล้วก็ให้เจริญภาวนาดูจิตดูใจของตนเองมีความเพียรเพ่งไม่ให้ จ, ใจิตใจไม่ให้ความรู้ลนี่ตกเข้าไปในหลุมแห่งความเศร้าหมองที่เป็นอารมณ์อารมณ์แห่งความเศร้าหมองเช่นอารมณ์แห่งความโกรธความเกลียด ความอิจฉาลิสยาพยาบาทเป็นอารมณ์ให้เกิดความเศร้าหมองของใจตั้งอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเดี๋ยวว่าเจริญพร ม, มวิหารธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเยือกเย็นเป็นไปเพื่อความรู้จริงเห็นจริง เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเมตตาเป็นไปเพื่อทำจิตใจแห่งสัตวโลกทั้งหลายให้มีความเจริญในธรรมเรียกว่าเมตตาธรรมข้ามจุนโลกเนี่ยเจริญให้มากทำให้มากจเจริญเมตตาพัฒนาให้เป็นสุข ตตนเองและบุคคลผู้อื่น <c oughs> นี่เรียกว่าจเจริญอารมณ์มันเป็นเหตุให้จิตใจพองใสเบิกบานสุดท้ายก็จเจริญอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเพียนเพ่ง ดูกายดูใจดูขันห้าธาตุสี่ขันห้าอายตนาหกที่มีอยู่ร่วมอยู่ในกายใจพิจารณาแยกแยะให้เห็นความเป็นจริงของความเปลี่ยนแปลง ความทนอยู่ได้ยากและความไม่ใช่ตัวตนป <c oughs> ัญญาความรู้ญานนณทัศนคือญาณคือความเห็นญาณคือความรู้ทัศนคือความเห็ น, น, ร, หนรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยว่าประมวล เป็นความเห็นชอบเป็นสมาธิติตัดสินลงในขณะจิตเดียวสิ้นทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ลุมล้อมทับถม จ, จิตใจใจเป็นอิสระแห่งความรู้เหนือความสุขความทุกข์เหนือความเห็นผิดเป็นความเห็นชอบความรู้ชอบเลย เท่านั้นหละอยา่าเป็นใจที่หมดอาสวะเป็นใจที่หมดเปลือกหมดกระพี่ถ้าเป็นต้นไม้ก็เหลือแต่แกนไม่มีเปลือกไม่มีกระพีห่อห่มหรือเป็นมเมล็ดข้าวก็แกะเปลือกออกเหลือแต่เมเล็ดข้าวสาร นี่ว่าใจไม่มีอาสวะใจไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสทับถมเป็นอิสระนั่นทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยสอนเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์สอนเพื่อให้ทําความทุกข์ให้เบาบางไปในเบื้องต้น จนที่สุดไม่มีทุกทั้งหลายทั้งปวงสิ้นสุดออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติใจที่เป็นอิสระนั่นเป็นความพ้นทุกข์อันแท้จริงได้ด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญา ทั้งที่กล่าวมา <c oughs> นี่ได้ยินได้ฟังแล้วจงมนาสิกานรู้ว่าไม่นอกเหนือไปจากใจไม่ได้อยู่สวรรค์นิพพานที่ไหนธรรมะที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์นิพพานพ ม, มโลกอะไรต่ออะไรนั่น มหาเหตุอยู่ที่ใจเท่านั้นรู้ที่ใจเห็นที่ใจแก้ที่ใจได้แล้วก็หมดปัญหาที่ใจส่วนสมมุตินรกสวรรค์พุทธโลกนิพพานคาว่านิพพานนิพานนพานก็เป็นสมมติทั้งนั้นสมมติก็เป็นสมมุติไป เมื่อเข้าใจในสมมุติตามเป็นจริงแล้วก็เป็นวิมุติที่ใจคือพ้อนจากความหลงสมมุติต่อไป <c oughs> ทำความสงบรู้ที่ใจ <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุ้งามองความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญมาานเจริญศีลสมาธิปัญญ า, าโดยลำดับทั้งในอดีตและในปัจจุบันขอจงเป็นพระเป็นกำลังนุนนำให้ วงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายในเจริญในศีลสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปภาชนะสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อจงทุกท่านทุกคนเถิด ยังไงใครมีปัญหาอะไร <c oughs> มีปัญหาอะไรสนทนาธรรมะธรรมชากัะชาเอธรรมังกรมุตตมังยังไงนางภาวนามาเป็นปีเป็นเดือนแล้วได้ความอะไรบ้าง <c oughs> เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นอนิี้จังทุกขังอานตาอะไรบ้างสติต่อเนื่องกันดีไหมอัญญาเกิดไหมไม่อุบายมองสิ่งเกิดดับทั้งหลายเป็นยังไงบ้าง วถวายคายถวายกันเทศกันเทศคือได้ความคัางเทศมาภาวนามาได้ความว่าอย่างไรนั่นแหละเรียกว่ากันเทศไม่ใช่กันเทศคือเงินนี่อ ง, องค์หลงตามหาบัว กาบฟังธรรมะท่านเสร็จแล้วท่านถามเป็นยังไงฟังธรรมะท่านถามถ้าเรามีอุบายมีปัญญาอะไรเข้าใจอะไรก็กาบเรียนท่านถ้าไม่มีอะไรก็เฉยๆเลียกว่าไม่มีอะไร มไม่บอกอออนี่ฉันมูสี่เดือนลวงตาไปจำพรรษาที่ประเทศอังกฤษได้พรรษาสามเดือนเก้าสิบวันแต่ว่าเศษเศษทั้งก่อนเข้าพรรษาทั้งออกพรรสารวมแล้วเป็น สีเดือนกับสิบวันสี่เดือนกับสิบวันให้จำพรรษาไปนำพาญาติโยมปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็มีคนไปสมทานศีลแปดบางคนกับสามวันบางคนกับเก็ดวันอาทิตย์หนึ่งบางคนกับวันสองวัน ตามโอกาสนู้นมาจากประเทศสวีเดนก็มีบินมา <c oughs> ในอังกฤษเมืองน้นเมืองนี่ก็มีก็มีคนภาวนาทำสมาธิภาวนาได้ความได้ความสงบรู้ร่ความสงบของใจรู้สมาธิ จิตใจที่มันสงบมีอารมณ์มันเดียวแล้วก็มีปัญญารู้ ล, ละบางคนก็เคยโกรธเคยโลภมากๆก็รู้สึกว่าความโลภมากๆก็ผ่อนคลายลงความโกรธที่เคยมีเต็มที่ก็รู้สึกว่า เบาบางลงไปบางคนก็แทบจะว่ามันไม่มีคือลูกมีความสุขความสบายด้วยสมาธิทรรมปัญญาธรรมก็พอมีพอมีอยู่บ้างเพราะว่าคนไทยเราเมื่อไปอยู่ ไกลพ่อไกลแม่ไกลหมูไกลเพื่อนไปอยู่ในสมาคมในสังคมของชาวฝรัง่งแต่ความจริงชาวฝรัง่งเขาก็มีธรรมะอยู่เขามีธรรมะอยู่มีธรรมะมีเมตตาธรรมเขาก็มีอยู่ ทารรมความเสียสละความให้อภัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน <c oughs> เขาก็มีอยู่ปัญญาที่รู้จิตรู้ใจรู้ขันห้า ตามเป็นจริงแห่งอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาก็พอมีบ้างแต่ยังไม่ไปถึงที่สุดคือมีคนตั้งใจภาวนาเมื่อไปอยู่อย่างนั้นไม่มีให้มีที่พึ่งอะไรให้มีไม่มีหมู่ไม่มีพวก ที่เคยพฤติปฏิบัตริร่วมกันนะั้นก็รวมเข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองก็มีความตั้งใจมีความมีความเพียรแพ่งดูจิตดูใจของตนเองสุดท้ายก็รูปภาวะของใจที่มันเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความสัมผัสกับคําว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจ หรือว่าสันติคือความสุขที่ใจมันสงบจากสัญญาอารมณ์ <c oughs> แล้วก็มีอุบายที่เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัญญาหรือว่าพอมี พอมีอยู่บ้างทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนะถ้าไม่มีอะไรก็แล้วพรโอ้ ลาภานนมัตถุพุธานังนมัตถุโพธิญานะโมมุตานังนะโมมุธิาอิมังโซปะริตังกัตวาโมรวาสมกัปปายติสยะสิทธิทนังระบังโสถีภากยังสุขังภลังศริอายุจวันโนจโขังวุติเยสวาสตวาสาจ อายุชะสีวสิทธิพระวันตุเตภะวะตุสพะมังคลังลาคลันตุสภเทวตาสภพุท ธ, ธานุภาเวนะสพธรมม า, า, านุภาเวนะสพสังฆานุภาเวนะสทธาโสธีพระวันตุเตนทศกเป็ ภาวนาตั้งใจภาวนาไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งกับจิตใจได้ยิ่งไปกว่าการเจริญจิตภาวนาปัญหาใจก็มันก็อยู่ที่ใจก็ ต, ต้องแก้ด้วยใจแก้ด้วยปัญญาความเห็นชอบความรู้ชอบเรียกว่าสัมผัสปัญญาแท้ที่ใจสมาธิแท้ ที่ใจสติแทะความระลึกลูกมันต่อเนื่องกันจะรู้ที่ใจว่ามันเป็นยังไงสติเป็นลูกโซ่เป็นสายโซ่ต่อกันเป็นสายโซ่เบากายเบาใจสัมผัสคำ ว, ว่าสัมผัสธรรมะแท้คือผลของสติผลของสมาธิผลของปัญญา จนไม่มีความสงสัยอะไรในจิตใจเหลือแต่ใจเป็นใจรวนร้วนเป็นใจที่เป็นที่ท่านว่าเป็นความสุขอันแท้จริงความสุขอย่างยิ่งความสุขอย่างยิ่งสุขเพราะใจสัมผัสกับปัญญา ความรู้ความเห็นที่เป็นทิฏฐิสุกรรมเรียกว่าทำความเห็นตรงทำความเห็นชอบนั่นจะสัมผัสเมื่อมันประชุมกันพุบลงไปขณนะจิตเดียวมันจะว่างมันจะปลอดโปร่งมันจะโลง่งอะไรเนี่ยสัมผัสด้วยใจของตนเองแก้ปัญหาที่ใจ มันไม่ได้อยู่ที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กายมันไม่ได้อยู่ที่อินฟ้าอากาศอินฟ้าอากาศดิมก็เป็นดินน้ํากัเป็นน้ําลมก็เป็นไฟเป็นลมไฟก็เป็นไฟอมันสมมุติเนี่ยสมมุติสมมุติหรกก็มาหลงสมมุติเนี่ยมันเลยเป็นทุกข์ลู่สมมุติตามเป็นจริงมันก็ปล่อยก็วางมันก็ว่าง ที่ใจแหละไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าใจแท้ๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์มันไม่มีขัดเคืองมันไม่มีดีมไม่มีชั่วใจแท้ๆเป็นธรรมแท้ๆ เพราะฉนั้นปัญหาต่างๆอารมณ์ต่างๆมันข้องกันอยู่ในสมมุตินี่แหละในโลกกรทำพระพุทธเจ้าท่านว่าทำประจําโลกหลงสุขหลงทุกข์หลงดีหลงสรรเสริญนินทากันอย่างนี้หลงอยู่กับในโลกนี่แหละมันออกนอกโลกไปนอกสมมุติไปได้ด้วยปัญญาละ่ะไม่มี ไม่มีบาปไม่มีกรรมท่านหนลวงหลปู่อ่อนท่านเทศท่านสอนเนียว่าแก้กรรมต้แก้ที่ใจท่านะ่ะตัดกรรมก็ตัดที่ใจก็ภาวนานี่แหละภาวนาทําความรู้ความเห็นจเจริญปัญญาให้มันประชมเห็นสุขเห็นทุกข์เห็น คำว่าอ น, นิีจังทุกครั้งอนัตตามันจะรู้จะเห็นด้วย <c oughs> การประชุมความจริงลงที่ใจเนี่ยสุดทา้ทายมันก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรนะใจมันไม่มีอะไรสุขก็ไม่มีทุกก็ไม่มีสุขทุกมันเป็นอาการอาการสมมติกัน สมโลกสมมุติก็มาหลงกันมาเกาะโลกเกาะสมมุติกันก็เป็นทุกข์กันอยู่กับโลกเนี่ยเมื่อรู้โลกตามเป็นจริงแบบสลัดส ล, สลัสลัดสลัดโลกเรียกว่าสลัดความหลงด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาแจ่มแจ้งเป็นจักขุงอุดปารีญาณังอุดาปารีปัญญาอุดาปารี งั้นก็จบกันจบกันตรงความรู้และความเห็นประชุมรวมลงเป็นปัญญาณชอบความเห็นชอบนั่นอ๋อแล้วเอาละแล้วก็ยังตอบอีกคุณเจดคุณเจดหรือเปล่าเอออืม เกตเกศนี่มันเกศน่ะถ้าพระพุทธลูกเขาเรียก เ, เกตเป็นแหลมสุดความแหลมสุดของเกเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระปัญญาเป็นโพธิโพธิธรรมโพธิปัญญาเป็นปัญญาชอบปัญญาทําลายความหลงเรียกว่าลูกสมมุติตามเป็นจริง แก้ที่แก้ที่ใจมาเหตุอยู่ที่ใจปดนี่ปดนี่ปดศีนอินาดานังลุกขังโลกเกความมีนี่เป็นทุกข์ในโลกทุกข์ในโลกเพราะความมีนี่นี่ทางใจคือนี่อารมณ์นี่ความเห็นแก้ด้วยปัญญา ไม่มีหนี้ทางใจแล้ะใจปวดโงงโลง่งเป็นความเห็นชอบก็หมดหนี้ที่ใจนะหมดหนี้วัตตะสงสารอันนั่นยังเป็นการหมดหนี้อันปเปรื่อยวันนี้สมมุติในโลกมันหมดไม่เป็นมันคล้องกันไปอย่างนี้เลย เน้อตีเข้ามาที่ใจเนื <c> ้อ <oughs>